ลำดับที่หนึ่งคติธรรมก่อนฟังธรรมชาดกแผ่นที่หนึ่งโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีคติธรรมก่อนฟังเอ็มพสธรรมชาดกแผ่นที่หนึ่งให้คติธรรมว่า เพราะไว้ใจภัยจึงตามมาคือใน MP3 ทั้งหมดที่หลวงพ่อได้เทศหรือว่าได้พูดกล่าวต่างกล้มต่างวาระถึงแผ่นที่66แต่ละแผ่นก็จะมีชาดกพูดเกี่ยวกับเรื่องธรรมะและก็เมื่อจบชาดกแล้ว หลวงพ่อก็ได้กล่าวว่าชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าโดยมากจะมีเป็นคำกล่าวย้ำเมื่อจบชาดกลงไปเพราะนั้นศรัทธาญาติโยมสิทธิญาณสิทธิที่ได้ฟัง m อ3สก็ได้ขอร้องว่าอยากจะได้เอ3สที่เป็นชาดกเพื่อฟังให้เป็นแผ่น อาตมาหลวงพ่อเองก็ไม่ขัดข้องอนุญาตจึงได้มีธรรมชาดกแผ่นที่หนึ่งเกิดขึ้นในธรรมชาดกที่ได้พูดถึงก็มีทั้งพุทธประวัติมีทั้งพระพุทธเจ้าเสวยพระชาติห0 0ชาติมีทั้งสาวกสาวกประวัติเทรีประวัติ มีมากมายในชาดกในแผนนี้เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านตั้งใจฟังเรื่องชาดกก็จะเกิดประโยชน์สําหรับพวกเราท่านทั้งหลายแต่ว่าคติธรรมในชาดกในเรื่องนี้หลวงพ่อให้คติธรรมว่าเพราะความไว้ใจภัยจึงตามมาอันนี้ก็มาจากชาดกเหมือนกัน มาในชาดกเพราะว่าการอยู่ด้วยกันไว้ใจกันก็เห็นว่าไม่มีอะไรแต่ทางที่แท้แล้วที่เราพูดความลับภายในใจของเราให้ฟังไอคนที่ได้ฟังนั้นก็นำเอาความลับของตนเองไปพูดให้คนอื่นที่เป็นอริศัตรูฟังผลที่สุดก็เลยภัยก็เลยตามมาถึงตัวเองทั้งที่ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้น แต่ก็มันเป็นไปได้เพราะนั้นจึงให้คติธรรมหัวข้อว่าเพราะความไว้ใจภัยจึงตามมาถึงตนเองด้วยอํานาจคุณพระศรีรัตนตรยัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองขอให้พวกเราท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญทั้งคดีโลกและคดีธรรมปรารถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ข อ, ขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกๆุกท่าน ด้วยเธอ